รธรรมเทศนาแผ่นที่52ลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่19มีนาคม2556มีชื่อเรื่องว่าปลูกศรัทธาที่อยู่ทางซ้ายมือหลวงพอ่อใช่ชุดขาวอันนี้คือนาค นาคจากมหาวิทยาลัยมหิดลนักศึกษาแพทย์มหิดลปีสามโดยมากจะเป็นปีสามนะ้ำมากกว่าปีนี้สิบบทสิบสองนาควันที่ยี่สิบหกน่ะวันที่ยี่สบี่วันที่ยนะี่สิบสี่ 24, มีหน้านะ่ะมันเห็นวันที่สิบเกาอีกปกีมือนะ่ ที่มีการบวชนาคพระนักศึกษานี่เป็นรุ่นที่8แล้วนที่เขามาบวชวัดหลวงพอเป็นรุ่นที่8บางปีก็หน่อยบางปีเขามากแต่โดยมา ก, กเกือบจะถึง10ปกว่าทุกปีเาปีแรกตรงพอจำบวผิดว่าเป็น18 18ดนักศึกษาแต่ปีนี้12บแล้วก็มีผูมาสมทบอีก สองเป็น1ิซที่จะบวชวันที่ยี่สิบซที่จะถึงเนี่ยตอนเช้าก็สั้นชังหานเซ็ตเรียบร้อยทั้งสี่ละก็ตอไปกระบวชอ่ะกว่าจะบวชจบก่าปุณ น, นะายโมงกวกวาแบนนะั่ะปรงพอวานะหรือเทียงกวกวานะ่ะเป็นยางหน่อยแต่คณะสัทธาญาติโนมพีนองญาติผู้ใหญ่ของหนัก ทั้ง12 14หนกักก็คงจะประมาณสักลอย2ลอยกว่าคนก็คงจะได้เพราะนั่นทั้งในขั้วเบิงเบิงเน่เเาเบิงอาหารเลียงแขกเทียงผอไมได้เมือนั้นเพรตอนเศร้ามันบวชไปแล้วเลยจะไปกินอาหารใช่หรืก็ต้องอาหารเทียงกับวัดเท้าเลียงวัดอาหารเทียงพี่น้องลูกหลานที่มาบวช ต่อไปจะเป็นท่ายาติของพระพุทธศาสนาที่ปวดมาบวชวัดเท่าหน่ยจบเป็นหมอไปว่ามันสองรุ่นนะบอตีมหาหลวงพอ่อนะผมมาบวชที่นี่หลวงพ่ อ, อผมได้เป็นแพทย์อยู่ต่างจังหวัดเออนี่แหละลูกหลานได้เ ป, เ, ปเป็นแพทย์ที่ดีนะเป็นหมอที่ดีได้บวชในพระพุทธศาสนาใน นำทำคำสอนของพระพุทธเจ้าการยูด้วยกันต้องมีเมตตามีนำใจมีศีลมีสมาธิอย่างหมื่ว่านคุณหมอขันผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพเปิ่นมาบวชเจ้าพระคุณสมเด็จภาะวัฒนาัวัดปวอ้วนเปิ่นฝากมาพระผู้เฒ่าอายุ8ปดสิบปีตนต น, ตนมะ มาบวชสิบแปดมื่อมาอยู่วัดเท่าวันที่สิบสี่กับเมื่อวานเนี่ยวันที่สิบแปดพ่อบรรลักสิ์ขาแล้วลูกพ่อก็ถามเพิ่ น, นไนอ้ไอ้พ่อทิศหมอเขาก็บอกว่าพ่อทิดหมอนะเพล่นพ่อบวชพ่อบวชมากกวเอินทิดมัดได้มันหมดละเอ้หลวงพ่อก็เลยเอินว่าเป็นไงพ่อทิดหมอบวชมาเนี่ยได้อะไรบ้าง เสียนะไม่ต้องพูดละอาจจะมีเสียแต่หลวงพ่ออยากจะถาม่ามาบวชคราวนี้ได้อะไรบ้างเป็นเครื่องประทับใจบวชมามาอยู่ตั้งแต่วันที่สิบสี่กลับวันที่สิบแปดเนี่ยเพินก็บอกว่าผมไร้ๆหลายอย่างแต่ว่าที่นึกเบิงยอ่งนงยอนหลังนึกเบิงย่อนหลังเนี่ย ยังห่างเหินวัดว่าศาสนาอยู่หลู่ซึกว่ามาศึกษาเบิงแล้วมาเบิงแล้วมาได้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยยังห่างศาสนาอยู่เพราอนั้นกลับไปนี่ข้าวนี่สิบอกขอบข้วทางหลูกทุกขุทุกคนทั้งหลูกทั้งร้านทุกคนน่ะให้เขาใกล้ชิดพระพุทธศาสานาให้มากกว่านี่ในความคิดของผม ก้าวกลับไปนี่ผมจะนั่นแหละที่เอาลูกลูกหลานเขามากอยู่ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาให้มากกว่านี่แต่ที่ผ่านผานมากเนี่ยเพ่งเบ่งเน้นไปแต่ทั้งเศรษฐกิจ เ, เรื่องการหาเงินหาทองหรือว่ า, าเศรษฐกิจมากกว่าแต่กลับไปในสิ่งทั้งเศรษฐกิจก็จะเน้นแต่ว่าต้นเรื่องศินธ ร, รมเลยจะเอาให้เขาให้มากกว่านี่ที่ผ่านผ่านมาก ผมจะเน้นสาสามประเด็นหลักผลก็ยกขึ้นมาแหละหนึ่งให้มีท่านคือให้มีการเสียสละให้มีการท่ำท่านในขอบขัวติ่ม่องให้มองคน้นติ่เขาดอยกว่าเฮาพวกที่ยากจนกว่าเฮาเฮาของคนจะช่วยเขาเพราะว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์น้ากัน ดูน้ำกันมันก็ต้องมีทุกมีโจรเมื่อเห่าเหนือกว่าเขาเห่าก็ต้องซอยเขาอันับอันนี้ก็คืออามิตท่านแล้วก็อาภัยยะท่านการดูโดยการผมว่าต้องมีอาภัยยะท่านต่อเพื่อนมนุษย์ต่อใครๆข่ไผ่ทั้งหมดที่มากเกี่ยวของนี่แหละผมจะสอนสองยางนี่แหละไอ้ครอบครั้วของผมอามิตชท่านและอาภัยยท่านขอที่สอง เรื่องศีลที่ผมได้ฟังเอ็มพี่สามของลุงพอเว้ามาแล้วผมกัโอ้เป็นที่พ่อใจผมจะต้องเอาศีลมาปฏิบัติเพราะว่าการยูด้วยกันท่าทาว่าบ่ ม, มีศีลบ่ ม, มีศีลหาบ เ, เป็นบกบงเลยบนะ่ ม, มีศีลหาจะยูด้วยกันยูด้วยกันด้วยความแหวดเอาหวาดระแวงเพราะนั้นท่าว่ามีศีลหาคุ้มคลอง ทุกคนแล้วมีแต่ความสงบที่ผมมีเรื่องเลา่าอันนี้คือต้ีขอที่สองขอที่สามเนี่ยผมจะเน้นให้ในครอบรัวมีสมาธิต้องฝึกสมาธิเรื่องภาวนานี่อย่างที่ได้ศึกษามาเนี่ยตัว่ากาคณมคนเท่าว่า ม, มีการภาวนาบ่ ม, มีทำจิตใจให้สงบมีแต่จิตใจปุ่งฟุ่งฟุ่งคิดคิดคิดอยู่ตลอด จิตใจมันวิ่งอยู่ตลอดจะหาความสุขใดจังใดมันหาความสุขบัวใดที่ผ่านๆมากเพราะนั่นอยากจะให้มีความสุขได้จิตใจได้พักอได้พักในสมาธินี่แหละสามประเด็นลักนี่แหละที่ผมได้ฟังได้ศึกษามาบวชในคราวนี้พ้นบอ่อให้ฟังนะแล้วก็พ้นกระสนใจอิริแต่เรื่องภ่อวานาเนี่ก็คือสีหน่อยอยู่แต่ว่าเรื่องพ้นก็บอกว่า ที่ผ่านๆมาเนี่การศึกษาธรรมะเนี่ยห่างอยู่ปน็นพ่อมาบวชเข้านี่ยคือมาล่างมาล่างสมองเปน็นวันมาล่างสมองคือมาล่างแนวความคิดอืมที่มันอยู่ทางโลกๆให้มันให้มันคิดคิ ด, คดปล่อยว่างลักษณะยังไงคิดในระดับของพุทธศาสนาแต่ว่าทาั้งตาเนี่ยอ่านหนังสือเลยหลวงพ่อกับคนนหนังสือไปใหาย่างมากขึ้นกันน่ะ สมองว่างบไรมันออกไปแต่อายุแปดชิปแล้วสมองว่างบไรเท่ากันอ่าประวัติลงปูมันปฏิปทาพ่อทูตองกรรมฐานจดหนาบนใบบัวหนังสือเหลี่ยมใหญ่ของลงตาแปลว่าขนครับอหนังสือหลายเหลี่ยมขนไปอ่านไห้เพิ่นอ่านมัดเพิ่นออกไปแต่ว่าขั้นอ่านเลยจดไปพออร้อมเลยจดจ ด, จ ด, จ, ดจดไปพออร้อมเลยเพออ่านแล้วตั้งหูยังฟังเทปอีกต่างหากกะเอะเปิดเทปฟังอีกต่างหากคะนะ นักธุรกิจโมเมนธรรมดาเด้หูนีใส่ไปทางตาไปทางปากพ่อ ป, ป, ปันหัวใจสองหน่วยไปเล้ <l ug> เออฟังเทศลงพอพรอย่ำมือขึ้นฟังเทศลงตาเหน่ย่ำมือเพน่นฟังเทศลงพอย่ำอะไรก็ อ, ศรศรศอ่านหนังสือนะพูนล่ะเพิ่นล่าซิกขาไปหมู่ว่านเนี่ยแต่ว่าก่อนเพิ่นจะล่าซิกขาเพิ่นก็นเข้าไปเบิงโร่งพยาบาลเนี่ยพอ่าเพิ่นนั่มเป็น ผู้ให ญ, ญ่โรงพยาบาลกรุงเทพนะเป็นผูญญ้ใหญ่ก็เลยไปเบิ้งโรงพยาบาลนายุง่งพ่อไปเห็นโรงพยาบาลนายุง่งโอ้โรงพยาบาลนายุง่งเครื่องเอ็กซเรย์มันใช้มาถึงยี่สิบกว่าปีแล้วอฉันบอนว่ า, เ, าเวลาสายเอ็กซเรย์มามันดำมันดำปุ๊บไปหมดแล้วเนี่ยเอมันเสียหายมันเก่ามากแล้วเอา ใา่ทางโรงพยาบาลอยากจะได้เครื่องเอ็กซเรย์ก็บอกนะจะเอารุ่นไหนแล้วก็นํามาถวายหลวงพ่อก่อนเอให้หลวงพ่อดูเลือกว่าจะเอาทางโรงพยาบาลเลือกรุ่นไหนแล้วให้หลวงพ่อเลือกหลวงพ่อก็ออเอออเลือกมาเนาะว่ะแต่ก็จะเอาอย่าไปเอารุ่นราคาแพงไรทํำให้พ้นเคสขึ้นกันนะ่ะ แต่จะไปเอารุ่นถูกไรชื่อม่าบอเกิดประโยชน์มันก็บ่ิดีเอารุ่นกลางๆนี่แหละวะเอารุนกลางๆในโรงพยาบาลนายุ่งเข้ารุนน้อยรุนขุนกลางๆแล้วก็เพิ่นก็ บ, บอกอีกว่าต้องการอีหยังในโรงพยาบาลมีความจําเป็นอออันนี้เข้ากับเสนอไปก็ได้อันนึงเอ็กซลเล่เครื่องเอ็กเซลเล่ละมีความจําเป็นอย่างที่ท่านได้เห็น อันที่สองที่ท่านยังไม่เห็นกับที่ร่างทั้งร่องพยาวานของเฮ้ามีความจําเป็นต้องการยุ่งหนึ่งสองสามกวาดไปแหละแต่ก็สุดแท้แต่เพิ่นชิไฮกันเพิ่นไฮ ข, ขนาดในเฮ้าก็เอาขนาดนั้นแหละแต่การเสนอเนี่ยคือความจําเป็นเฮ้าต้องเสนอไปแต่ก็ะใหญ่ให้มันเกินไปเด้อลูกหลานเลยโมเ่นม์ที่เป็นลูกชิดลูกหาลูกหลานตาพ้ำเขาขอเขาหายยังได้เอาจน พระเวทจันดอนยอมกบอบบรแมนแนวขึ้นกันได้แต่ภาพขอกขอข อ, ขอหอดลูกพระเวชจันดอนนั่งมาชีนะ้เพราะหนอ่มันก็นบพรแมนแนวการขอกับเออจักประมานในการขอเอาจากเพิ่นขนาดไรเพิ่นนักใจบอสอา่ามันเป็นยูไก่กันกับเวลาเข้าสิข อ, อยังเข้าก็เบื้องหนา้าพันธุกรเป็นบละออันนี้เป็นยูกไก่เด้ กาอยูไก่เวลาเ้าสิขอยังเขากับเบื้องหนาพนก่อนขั้นเพิ่อนหนาเพ้นสีหมุยๆเขาก็จะเฝ้าถอยอตัวขั้นเพ่นยังยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่าเพื่นอยากหยเ้าอีกยุคเขาก็ขอไปอีกแต่เอั่นแล้วนี่อันนี้คือการทรงขออนุขอบางสิงบางยางเบืองพวกเข้าขึ้นกันถ้าจะหลวงพ่อเคยสอนพระลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องหลวงพ่อขึ้นกันด้วย การขอนี่ยถามว่าเขาประวรณาไหวาเข้าขอไปพอประมาณอันนี้ก็คือสมมาสมพวนจึงกันละกันแต่ว่าเพิ่นประวรณ า, าขาดนั้นเข้าขอเกินไปอันนั้นบอดีหรือว่าันาดว่าเพิ่นบ่บเว้าอย่างเลยเข้าขอไปอันนั้นต้องระมัดระวังอย่างมากอพอในหลักธรรมขําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่เพิ่นบอกว่าผู้ขอ ย่อมไม่เป็นที่พอใจของผู้ถูกขอถ้ามีปัญญาผู้มีปัญญาไม่ควรจะขอเลยอันนี้เป็นหม้อในเป็นพระบาลีแต่ว่าตามไม่จริงขั้นบอกขอเออบางที่เขาก็อยากหา ย, ยุตแต่โบจักสือหายยัง้งเออพราะูบอจักอันนี้เ้าก็ต้องแยมบอกว่าเขา้าต้องการยัง้งจำเป็นบางท่างก็ต้องได้พูดให้ฟังแต่ก็อย่าไปแบบขอจิงจังจนเกินไป ขั้นขอกิ่งจางจนเกินไปก็ทำให้ผู้ถูกขอนะอ่ะลำบากใจเนี่ยพนันพ้นยังมีพุทธภาษีว่ า, าผู้ขอย่อมไม่เป็นที่ถูกใจของผู้ถูกขอผู้มีปัญญาไม่ควรขอเลยเ อ, อันนี้เินมนอมเป็นคํากลางๆเป็นคําที่พวกเห้าได้คิดกอ น, นไปอันนี้คือกันพวกพระกูบาอาจาร ลูกหลานลงพ่อเนี่ยเฮ็ดหนังก็ต้องคิดต้องเบิง้งอย่าไปขอสิ่งของเอาจนทําให้เขาอึดอัดนักใจแต่กันผูกเขาเอามาาหายแล้วเฮ้าก็จะแดงความยินดีผู้ที่เขามีน้ำใจอาบางคนพมก็เห็นเขาขอมาาหาเอาเฮ็ดหนาเค้งอิงติงอยู่ว่าผมเข้าใจในของเขาว่าเขามาให้หน่อยโทษทั้งที่ตัวเองขอขนาดนี้ขอให้หน่อยเอ้า รธรรมดาคนเท่าก็มีบางที่ก็ะข้าวทุกข้าวจนก็มีแต่ข้าวนี่ยมันน้อยเงื่อนติดกระเปามากเขาก็ยสร้างมางแล้วอมากข้าวเนี่จะถวายเป็นลอยบัได้แล้วลงพอได้ถวายบาทสองบาทก็พอ่อละเพราะจุดบ่มีคารถลเนี่ออันนี้เขาถวายเท่าไหร่เข้าผูรับเข้าก็ต้องยินดีแสดงความยินดีเออดีลูกหลานให้ได้บุญได้ลายเนอะ คือน้ำใจที่แสดงออกมาเนี่ยนั่นะคือสิ่งที่มันมากถ้าธรรมขนที่บ่หากเขาบ่ไปยั้งมากาบมากวายอยมันแสดงความเห็นวัดว่าศาสน า, ศ า, ศามียั้งเข้าเอา้าลูกหลานน่ะเป็นคนดีนะ่ะนี่เอาเทปเอาหนังสือไปอ่านนะ่ะเป็นคนดีอคนดีอยู่ใสดีมัดนะ่ะดีกับครอบครัวกับพอ่อกับแม่กับพี่กับน้องถ้าเป็นคนดีเครอบครัวน่ะก็หล่มเย็นเป็นสุข เป็นคนดีนะลูกล้านเนะ่าแต่เขาถวายจะตุกปัจจัยมากเออเฮาให้ได้บุญหลายหลาเนะ่าลูกล้านเนะ่าอย่างตรงพอไปจูวัดป้าบัตาดเวลาคนมาถวายปัจจัยหลวงพ่อกอ็ให้พ่อน้าวให้ลำให้รุ้ยนะ่าให้ได้บุญหลายห ล, ลายนะ่าลูกล้านเนะ่านี่แหละแต่ต่อมากเขาเขามีเขาก็าขาขถวายมากนี่แหละพ่อเข้าเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของท้องถิ่นเขาต้องมีน้ำใจ เวลาเขาถวายสิ่งของมาอยัางก็กาตามอย่าไปถิ่งเกินกาดเขาม้าอีกข้าวหนากระยั่งถิ่งมองเกาอยู่ก็แสดงมาเข้าบรใส่ใจในของที่เขาเอาม้าหาของท่านของเขาเขาตังอกตั้งใจเอาม้าหาเข้าต้องรีบเก็บรีบไหวให้หมันเป็นทีเป็นทางบอแมนจีมาแย่มาได้เห็นแต่ของเกาอยู่ในที่เขามอาม้าหาเขาก็ช่ำอกกช่ำใจต่อไปก็โอ้ การเป็นสีบอเอามาไห้ดีกว่าไอ้พวกจักเก็บจักเมียนอันนี้เป็นดงของดีของเฮ้าแต่เป็นของเลวเป็นของเลวของเขาเพราะนั้นเฮ้าบัต้องเอามาไห้หรอกอันนี้เขาก็เมิดซัทา่าพอามิดซัทา่าแล้วก็เมดไปเลยได้บาดเนี่ยจีบูกซัท่าขึ้นมาอีกมันปลูกยากได้บาตเนี่ยไอ้คนจีบูกควคนจีฟื้นซัท่าขึ้นมาใดมันโมเมนของงายบาตเนี่ยปลูกเอ้พราะอะวะา๊อฟ ความต้นนั่นแหะความบ่พอใจต่นนั้นนะมันฝังอยู่ในใจเลยบาไนนะอ้บาสบ้านี่พวกเข้าเป็นเจ้าของบ้านนะให้จังใดบาสนไนะอหาพวกไอ้สีซอยกับบ่มนนะีบาสไงเพราะเหตุใดเพราะเข้าบ่มีน้ำใจบ่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสิ่งเหล่านี้ให้พวกพระทั้งหลายให้ซอยๆกันคิดนะไอ้พวกในขั่วขึ้นกันต่างซอยๆกันพิจารณาอยู่บ้านอยู่เฮือนขึ้นกันพวกสัตว์ท่ า, ญญาติดย่อมขึ้นกัน พี่น้องปองไปเอายางมาให้ให <tag> ้ยินดีให้พยายามเก็บเอขอบพุ่นเขาให้มากต่อไปเขาขอมาให้ซอยกันเอย่างเท่าอยู่กับพ่อแม่ขึ้นกันพ่อแม่อยู่กับเท่าลูกหลานพ่อไดเอาของมาให้พ่อมาให้เออเอาในให้พ่อให้แม่แต่เออเอาเอาเก็บไปให้ดีเก็บไปให้เป็นพ่นหูคนตาเดี๋ยวจัดให้พ่อให้แม่เท่ากิน้องเนยะพี่น้องลูกหลานเนอ เขาเป็นเจ้าของบ้านเขาก็ต้องมีน้ำใจขอบคุณนะพี่น้องนะนี่แหละพี่พีน้องๆไดเอามาใหา้เดี๋ยวติฉันจะจัดการหนูจะจัดการที่เขาเป็นลูกไพ่ลูกสาวลูกชายก็ตามเขาก็ต้องดูแรลรีบเก็บของเสี่ย ง, งนั่นให้ถือว่าเขาเอาหานี่ยมีคุณค่าฮะของที่เขาเหาถึงจะของดีหรือของบดีก็ตามให้เก็บไว้ให้ดีอต่อไปถไพ่ภาคนา เขาก็จะเอาของดีมาหายบาทเนี่ย เ, เพราะว่าเข้าเก็บไว้ดีเลยเข้ารักษาดีเลยเขาก็เกิดชัท่าเอาของดีมาหายอีกนะพอมาเก็บไปอีกลักขาของดีนั่นแหละผลที่สุดก็เป็นผู้ที่มีน้ำใจต่อกันลมเย็นเป็นทุกขกันท่วนนาเพราะอะไรเพราะมีมนุษย์สัมพันธ์ดี อย่างเขาเอายางม้าไห้เนี่ยหันหลังไห้นาเค่งอริงจริงทำท่าบอกพอใจบางถ้าเขาบอกม้าไหา้ทํานพาจมพุ่มพุ่มเพรามันทุกมันจนอันนี้สิ่งเรานี่เข้าต้องมองพวกเข้าต้องมองเข้าดืวยกันจะไปมองมองอื่นทา ม, มองผู้อื่นนะมันมองโทษผู้อื่นถ้า ม, มองจกของนะมันมิมองตำหนิแล้ะแก้ไขปรับปรุงแก้ไขการเป็นอยู่พรมนุษย์เกิดมา ในโลกกันี่มันมีหลายระดับระดับนึงกัเออกานแก่งหาเหลืองก็มีแบบหมาบ่าเนะี่ยหมาบ่าหมาว อ, อันนันก็มีแต่บางคนก็เออ ม, มีนำใจเป็นหมาขี่ขานก็มีบางตัวก็เป็นหมาสอบกัดข้นก็มีบางตัวก็เป็นหมาสอบเผาก็มีแต่บางตัวนะเป็นหมา รักษาสมบัตริรักษาแห่บ้านรักษาเฮื่อนเอองมเจ้ า, จาของอยู่เจ้าของโบยู่หมาที่มันฉลาดก็มีอันนี้คือกันค้นเฮ้าคือกันเออมันบบแพ้กันนอนขึ้ น, นิสัยทรัพย์สัทว์ทั้งหลายในโลกมันเป็นอย่งสี่แต่ว่าถึงยังไงเฮ้าต้องว่างตัวให้ถูกนะต้องใช้ปัญญาให้หูจักเหลืองของคนรูเขารู่เรา ลูเบื้องสูงลูเบื้องต่ำรูหลอบขอบชิดรูพี่ลูน่ อ, นองลูว่อวงซาข้านายาติลูญาติมิตรสหายหอถ้าว่าเห่าถําตนถูกต้องแล้วนั่นแหละแต่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นลุงพ่อนี่ยอาจจะขาดทปกผองมากขึ้นกันแต่ลุงพ่อเนี่ยมีความเห็นจังสิฮะพ่ออ่ท่านบะอกละ่ะบอกลูกบอกล้านว่าลุงพ่อเนี่ยมีความเห็นจังซีออไปสม เจ้าการทรงขอน้องขอนอือเอาแออในใจลูงพ่อนี่เกิดลอยพอนไปมีอะไรยังที่จะช่วยเหลือชุมชนสังคมอ้าวให้อันไปพอที่จะให้ได้ให้โดยมากคันว่าเพิ่นจนกว่าเฮ้าบ่อคันเพิ่นลวยกว่าเฮ้าเน่ะเอามาลดพอนไปหลวงพ่อเป็นสั่นได้คันว่าเพิ่นลวยกว่าเฮ้าเนี่ยแบกเมื่อรับพอนไปพอลวยกว่าเฮ้าเด้อคันเพิ่นจนกว่าเฮ้าเนี่ไปเอาของเพิ่นไม่เลยเฮ้ามิถ่ายเพิ่นอีก ยังไปว่างศิลาเลิกวานน้าคําหน่อยมึอข้าวที่แล้วนะอลงพอก็ไปเพิ่นกระจนอยู่เลยจะไปเอาเพาิ่นยังไหลงพอเออ้าเอาโบสถลรังนี้ว่างศิลาเลิกมืึอ น, นี่ลงพอประเดิมไปแล้วหนึ่งแสนบาทนะก็มีเขามีคนมาถวายเองบาทเนะี่ยคนมาจากกรุงเทพถวายลงพออีกหมื่นบาทเออเอาเอ า, เอาหม้อไปอีกเนาะเป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทลนะงพอเขาว่างฉันนะ แรียกว่าไปบางแหง่งขั้นพื้นหมากลวยกว่าเหาพนมอามายเห่ au, าขวารับนี่แหละขั้นพื้นจน ก, au, กว่าเหาเห่ากบวรับแทนทรงแทนพื้นพื้นขันว่าสาธารณประโยชน์เออกําลังระดมทุนเล่าข้าวเนียวจัดผาปงผาปลาคือมา้าเพื่อระดมทุนสื่อเครื่องมือแพทย์เห่าไปเห่เาข้ามีดตัวใดยืนหายยังไปวัดสวนแสงถ้ำเมื่อกี้นี่แหละ อดผาปาสามกี่เพื่อสร้างเจดีย์พิ พ, ธพิธภัณฑ์ของหลวงตามุ่นนิธิถ้ำดีเป็นเจ้าภาพทูลเชิญกระหม่อมฝ่าหญิงมาเป็นประธานทงางฝ่ายบ้านเมืองกูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่มารวมงานพ่อแล้วเด็กก็ถวายผาป่าลงพ่อกันรวบร่วมกับคณะรัทธาญาดง้อมของเฮ้าเนี่ยนะกลุ่มของเฮ้ามาเด้อถวายลุ่มผาป่า ข้าวนี่เป็นข้างๆไปเป็นจบๆไปยาประมาทคนว่ า, าเ้าสจคิดแต่ว่าถวายไงถวายไงข้าตายก่อนไห้จะไหม่อใถวายสั่มวันนั้นถึงข้าวนี่ข้าถวายถวายไปก่อนถ้าย่อยไปเรื่อยพวกลุมของข้าวก็ได้หลวงพ่อก็เป็นหัวหน้าก็ได้เจ็ดแสนเจ็ดหมืนเจ็ดพันเจ็ดรอยเ จ, าาเจ็ดิบห้าบาทคำว่าสตางเจ็อีกหลวงพ่อก็ว่าเจ็ดสิบเจ็ดสตางพนวะ อันนี้หลวงพ่อก็ได้จําะไรว่าเป็นเลขเจ็ดทั้งหมดหมดเลยแน่ถวายเมื่อวันที่ยี่สิบที่ผ่านมานี่แหละเอแต่ว่าที่หลวงพ่อรับไหวหลวงพ่อรับไหวเมื่อวันที่สามสิบมกราห้าหกที่วัดป่าบัานตาดหลวงพ่อบอกว่าวัดป่าหน้าคำหน่อยของเฮ้าวัดป่าหน้าคําน่อยของอัตมาภาพของหลวงพ่อเนี่ยจะรับ เป็นส่วนหนึ่งที่จะสางเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเนี่ยจะรับไวหาซิบลานบาดหลวงพ่อก่าจะรับไหวหาซิบลานบา ท, า จ, ะบาบาทจะหาให้ได้หาซิบลานบาด ท, ที่ได้กังได้ก็ไดจากสะท้ายหยาดง้มคนละเล็กคนละน่อยนะนั่นแหละอคันผูรุ้ยกันนั่นแหละก็เอาปูละล้านละล้านก็หาซิบข้นอยไปห้าอยากยังหาเงินหาซิบลานหลวงพ่อว่านไะเออ ขันผู้ลวยกับเอาผู้ละล่านเนอะก็นลยหาซิบล้านหาหาิบโคตหนึ่งเป็นบ่อละแต่เดี๋ยวนี้ก็เลยถวายไปแล้วละ่ะถวายทุนก็มอมเมื่อเพิ่มมากข้าวที่แล้วจะเด็ดมากข้าวที่แล้วให้เสียปอถวายไปถวายเพิ่มสองล้านนะเะงินหาซิบล้านก็เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่สี่สิบแปดล้านเป็นวรรบาตเนี่นะมันลดลงอีกเลยนีลดลงสองล้านขันเพิ่มมากข้าวหนาะถวายอีกก่อนไป าไหวเรื่อยๆมันจะบวดาบวะมันก็เด้กมัดตัหาสิบลา้านฮะเอาละพอนอะแต่นี่นะพอแนวะความคิดให้ลูกให้ล้านได้ฟัง่งหมอนี่เพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้